ย่งการเทศนาที่เรียกว่าอนุปพิกถาคือโดยลําดับตั้งแต่ทานศีล ส, สวรรค์โทษของกามและการออกจากกามหรือมีพุทธพจน์หลายแห่งตรัสเรื่องเหล่านี้ไว้ซึ่งฟังได้จากเสียงอ่านหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงที่อาจารย์พรปรัตนาสุวรรณท่านรวบรวมหลักฐานจากพระไตรปิฎกมายืนยันไว้ครบถ้วนนะครับว่าทรงตรัสถึงเรื่องพวกนี้ไว้หลายแห่งต้องไม่ลืมนะครับว่าแม้แก่นสําคัญอาจจะมีแค่ไม่มาก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 ซึ่งพอเข้าใจระดับหนึ่งที่เป็นการเชื่อแบบถูกต้องไม่ขัดแย้งกับหลักธรรมจะเชื่อมั่นลึกลงไปว่าเวรกรรมมีจริงศรัทธานในการทำความดีจะมั่นคงมากกว่าจะเป็นเหตุให้ลามิจฉาทิฏฐิละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยละศิลปตะปรามาดความงงงายในข้อปฏิบัติต่างๆได้ง่ายจะมีความเพียรศึกษาปฏิบททัติธรรมได้ดีสู้อุปสรรคและทนกับปัญหาได้ดีกว่ามาก